ดีธรรมบัญญายชุดทุกวันสำคัญชวนกันเจริญธรรมโดยพระพรมคุณาภร์ปออประยุโตวัดยาณเวสกวันตตำบลบางกระทึกอำเภอสามพ ร, รานจังหวัดนคนปรปฐมเรื่องที่สิบห้ากระถินความสามัคคีของคนที่เจริญ ธรรมะถาเมื่อวันทอดกะถิงนวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2550ขอจเจริญพรโยมทายกทายิกาอุปัฏฐำพภอุปัฏฐมพิกาสลสาธุชนทั้งหลาย วันนี้เป็นวันสำคัญในเทศกาลทอดกะถินเป็นเทศกาลบุญประจำปีซึ่งเป็นเวลาของการทำกุศลครั้งใหญ่ที่เป็นทั้งสังฆทานและกาลทานสำหรับงานทอดกะถินปีนี้โยมผู้เป็นเจ้าภาพคือคุณโยมอัมพาหมอกยา พร้อมด้วยทิดาคืออาจารย์พาวันมอกยาและญาติมิตรทั้งหลายได้มีน้ำใจสามัคคีร่วมกันนำผ้ากระถินมาทอดในวันนี้เป็นความร่วมใจกันตั้งแต่ในบ้านเข้ากับสาระของกระถินเราได้พูดกันมาตลอด เพราะกะถินนี้มีสาระสำคัญอยู่ที่ความสามคัคคีอันนี้ก็เป็นความสามัคคีตั้งแต่แกนในที่สุดก็คือระหว่างคุณแม่กับลูกมีความพร้อมใจกันก็ทำให้เกิดกะถินปีนี้แล้วก็ขยายความสามัคคีนี้ออกไป แล้นอกจากว่าจะทำบุญทอดกระถิ่นที่เป็นสังฆทานและการทานแล้วท่านผู้จัดงานเป็นเจ้าภาพก็ยังปรารถนาจะให้บุญกุศลนี้เกิดเป็นประโยชน์แก่ญาติมิตรประชาชนทั้งหลายยังกว้างขวางขึ้นก็จึงได้ถือโอกาสนี้บำเพ็ญธรรมทานด้วยคือได้พิมพ์หนังสือธรรมะ แจกญาติโยมทั้งหลายก็เป็นหนังสืองานกรถินก็เป็นที่หน้าอนุโมทนาและก็อนุโมทนายมญาติมิตรทั้งหลายที่ได้ร่วมในการทําบุญทอดกรถินด้วยกันเป็นความสําเร็จอย่างที่กล่าวมาแล้วก็คือเป็นเรื่องของความพร้อมเพรียงความสามัคคีร่วมใจกันเรื่องกรถินเป็นความสามัคคีนี้ได้ย้ํามาตลอดและเทศการนี้ประจบกันว่า ต่อเนื sucks, 46, so också, mm ่องจากการออกพรรษาวันออกพรรษากระทอดกรทิญเนี่ยต่อเนื่องกันถ้าไม่มีออกพรรษาก็ทอดกรินไม่ได้และถ้าพระไม่ได้จำพรรษาก็รับกรทินไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยพรรษาถ้าไม่มีพรรษากะทินก็ไม่มีทีนี้เรื่องพรรษากะกรทินเนี่ยนอกจากมีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง ผูกพันในเรื่องการเวลาเป็นต้นแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์ในเรื่องธรรมะด้วยธรรมะที่เป็นข้อสัมพันธ์ก็คือเรื่องความสามัคคีนี้แหละวันออกพรรษานั้นทางพระไม่ได้เรียกเหมือนโยมโยมนะเรียกกันว่าวันออกพรรษาแต่สำหรับพระนั้นที่จริงทว่ากันตรงๆแล้ววันออกพรรษาไม่มี เพราะว่าวันออกพรรษาก็คือว่าพระอยู่จําพรรษามาครบสามเดือนท่านตั้งใจไว้เมื่อวันเข้าพรรษาเรียกกันว่าอธิษฐานพรรษาอธิษฐานพรรษาก็แปลว่าตั้งใจกําหนดว่าจะอยู่ประจําที่นี้เป็นเวลาสามเดือนเรียกว่าไตรมาสและครบสามเดือนเมื่อไรก็เมื่อนั้นพรรษาก็จบไปเอง ก็เลยไม่ต้องมีวันออกพรรษาทีนี้ของพระนี่ท่านไม่เรียกวันออกพรรษาท่านเรียกอะไรท่านเรียกวันมหาปรวรณานี่ชื่อวันที่โยมเรียกวันออกพรรษานะพระเรียกวันมหาปวารณาโยมบางท่านเป็นชาวพุทธใกล้วัดไม่เคยได้ยินชื่อนี้ทางตาที่เป็นชื่อประจำเลย วันมหาปวารณาเนี่ยคือวันที่โยมเรียกว่าวันออกพรรษามหาปวารณาก็เป็นสังฆ ก, กรรมถ้าเราเรียกแบบชาวบ้านก็เป็นพิธีกรรมเป็นพิธีกรรมสําคัญของพระสงฆ์ในทางพระวิ น, นัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ตามปกติเนี่ยพระสงฆ์ต้องประชุมกันทุกกึ่งเดือน มาประชุมกันในโบสถ์แล้วก็มีการสวดเขาเรียกว่าสวดปาฏิโมกสวดกันมาทุกสิบห้าวันทุกครึ่งเดือนเรียกว่าทุกปักเจาก่าสิบห้าวันก็ไม่แน่บางทีก็แรมสิบสี่ข้ามเดือนขาดก็สิบสี่วันบ้างสิบห้าวันบ้างสวดกันมาอย่างนี้ทั้งปีมียกเว้นอยู่วันเนี่ยคือวันมหาปรารณาแทนที่จะสวดปาฏิโมกพระพุทธเจ้ามีพุทธานุญาตไว้ให้ กระทาพิธีเรียกว่ามหาปราณาแทนเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นวันออกพรรษานี้ถ้าว่าตามวิเนยของพระก็สําคัญมากเพราะว่าเป็นวันที่มีสังฆกรรมพิเศษซึ่งในวันตลอดปีมาไม่มีมหาปราณามีความสําคัญมากออกพรรษาแล้วต่อจากออกพรรษาก็มารดูกรถิ่นนี่แหละแล้วสาระสําคัญของมหาปราณากระถิ่นนี้ก็ต่อเนื่องกัน ปวารณาเป็นสังฆกรรมหรือจะเรียกกับพิธีก็แล้วแต่ที่สำคัญในแง่ที่พระสงฆ์เนี่ยมาเปิดโอกาสต่อกันให้ว่ากล่าวทำไมจึงเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวกันปวารณาก็แปลว่าเปิดโอกาสเปิดโอกาสในที่นี้แปลว่าเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวบางทีก็แปลว่าเชิญเลยปวารณาตัว น, นี้แปลว่าเชิญเชิญให้ว่ากล่าวได้ ก็หมายความว่าได้อยู่ด้วยกันมาทั้งสามเดือนเนี่ยได้เห็นได้รู้กันทั้งเห็นโดยตรงทั้งบางทีไม่ได้เห็นก็ได้ยินบางทีแม้ไม่ได้ยินก็เกิดข้อระแวงสงสัยท่านก็ให้โอกาสไว้ว่าพอถึงวันมหาปรณานี้ให้พระสงค์มากล่าวคำปรนาเปิดโอกาสหรือเชิญกันเลยว่า ถ้าได้เห็นได้ยินหรือสงสัยระแวงว่าข้าพเจ้าได้ทำอะไรไม่ดีไม่งามไม่ถูกต้องมีข้อควรจะแก้ไขก็ขอให้บอกกล่าวกันได้อันนี้ถือว่าเป็นหลักการสาคัญในการอยู่ร่วมกันที่จะให้เกิดความสามัคคีคนที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีนั้นก็ควรจะไม่มีความกินแหนงแข่งใจยิ่งสงในถือเรื่องวินัยเรื่องของ การกระทาที่ถูกต้องดีงามพามีศีลนี่เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าว่าเกิดระแวงกันไม่สบายใจเรื่องศีลแล้วก็อยู่ร่วมกันไม่เป็นสุขความสามัคคีก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านก็ให้โอกาสกันซะพอถึงวันนี้แล้วก็เปิดโอกาสให้กันเลยให้ว่ากล่าวบอกกล่าวแนะนำก็รวมไปถึงตักเตือนอะไรกันได้จะได้ปรับปรุงแก้ไขเพราะนั้นเรื่องปรณานี่ก็เป็น จุดเริ่มต้นของความที่จะได้ย้ำให้เกิดความสามัคคีพระสงฆ์ก็ได้ผ่านสังกกรรมอันนี้มาแล้วก็ได้มีเครื่องประสานและประกันแล้วก็ย้ำสมทบความสามัคคีมาแล้วมาถึงตอนนี้ก็เสริมเข้าไปอีกได้กะถินกะถินได้เคยเล่าบ่อ ย, อยวันนี้ก็เป็นเพียงทบทวนนิดหน่อยว่าพระสงฆ์ทำไงล่ะตอนนี้พระสงฆ์นี่ก็กถินสาระสาคัญก็คือว่า พระจำภาษาเสร็จแล้วต่อไปนี้ตามธรรมเนียมของพระแต่โบราณมาก็เป็นฤดูที่เปิดโอกาสแล้วเป็นเสรีที่จะเดินทางจาริกเป็นไหนพระก็เตรียมตัวออกเดินทางก็จะแยกย้ายกันไปอยู่ร่วมกันมาทั้งสมเดือนตอนนี้จะแยกย้ายกันไปพระพุทธเจ้าก็ส่งให้เวลาเดือนหนึ่งสำหรับเตรียมจีวรใหม่แล้วก็จะได้เดินทางไม่ต้องมีกังวลกัน พระก็ได้โอกาสเป็นฤดูทำจีวรพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตสังฆกรรมอีกอันหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่ากระถินนี่แหละกระถินก็คือให้พระสงค์ที่อยู่จำพรรษาแลเนี่ยช่วยกันหาผ้ามาได้ผ้ามาแล้วต้องมามอบให้แก่พระภิกษุองค์หนึ่งในหมู่ของตนในที่ประชุมก็มาประชุมกันเรียกว่าเป็นทางสังฆกรรมแล้วก็มาพิจารณาว่าองค์ไหน ที่มีจีวรเก่าแต่ว่าต้องประพฤติดีด้วยนะไม่ใช่มีจีวรเก่าอย่างเดียวถ้าประพฤติไม่ดีก็ไม่เอาก็ตกลงกันว่าที่ประชุมก็ถวายภาพที่หามาได้เนี่ยให้แก่พระองค์นั้นแต่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยนี่ค่อนข้างจะรวยญาติโยมก็ไม่ได้รวยทั่วกันหรอกแต่ว่าสำหรับพระสงฆ์นี่ชักจะรวยรวยยังไงก็หมายความว่าโยมนี่มีศรัทธา ม, มาก ก็หมายความว่าญาติโยมนี่รวยได้ศรัทธาบางทีทรัพย์ก็ไม่เคย ร, รวยเท่าไรแต่ใจรวยได้ศรัทธาอันนี้ก็น่าอนุโมทนานิยมมีใจร่ำรวยด้วยศรัทธาก็เลยนำเอาผ้ามาถวายไม่ให้พระสงฆ์ต้องเหนื่อยเอาจีวรสำเร็จเลยมาถวายพระก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องขบวนการเตรียมผ้าจีวรก็ได้มา ได้มาก็เป็นของกลางไม่เป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งโยมสังเกตไว้ว่าเมื่อกี้เนี่ยมาถวายนี่ไม่ได้ถวายองค์ใดเลยมาวางไว้ข้างหน้าสงฆ์เขาเรียกว่าวางท่ามกลางสงฆ์เหมือนลอยมาในหน้าผ า, ากาศแล้วมาตกลงท่ามกลางสงฆ์พอตกลงแล้วก็เป็นของกลางพระก็ต้องมาตกลงกันเขาเรียกว่าอัปโลกก็มีองค์หนึ่งกล่าวคำ เหมือนกับถามขึ้นในที่ประชุมว่าเนี่ยผ้านี้เกิดขึ้นเป็นของกลางของสงแล้วแหละและ้วก็ขอถามปรึกษาขอปรึกษาที่ประชุมว่าจะเห็นสมควรแก่องใ ด, ดนี้อีกองค์หนึ่งก็จะเสนอขึ้นมาว่าเห็นสมควรแก่รูปนะั้นรูปนั้นแล้วก็ขอมติสงเมื่อเห็นสมควรไม่มีใครคัดค้านก็ตกลงอันนี้ก็คือสังฆกรรม ซึ่งเป็นวิธีการที่เขาถือว่าเป็นประชาปรปไตามาแต่ดั้งเดิมอย่างยัตติอะไรต่ออะไรก็เกิดจากพระทั้งนั้นเดี๋ยวตอนเย็นค่ำนี้พระสงฆ์ก็ต้องสวดยัตติกันในเรื่องกฐินนี่แหละและยัตติดีนี้เขาเอาไปใชยที่สภากันเอาไปจากพระทั้งนั้นนี่ตอนที่จะถวายมอบแก่ใครตามปกติก็อย่างที่บอกล้วต้องพระมีความประพฤติดีมีความสามารถแล้วก็มีจีวรเก่า ทีนสมัยนี้บอกเมกื่อกี้บอกว่าเมืองไทยเรารวยญาติโยมแม่ไม่รวยด้วยทรัพย์เท่าไหร่ก็ยังรวยด้วยศรัทธาก็ยังมีอุตสาหะนำเอาผ้ามาถวายพระก็เลยมีจีบอใช้กันเยอะพระเมืองไทยเนี่ยร่ำรวยกันมากจีวรฟุ่มเฟือยเหลือเฟืออย่างวัดนี้ก็มีมากมายไห น, นก็เลยไม่รู้จะถวายองคไหนที่จะมีจีบอลเก่า ก็แสดงว่าวัดนี้ไม่มีองค์ไหนจีวรเก่าพอตกลงพิจารณาไปมาเลยถวายเจ้าวาดเลยเจ้าวาดเลยกลายเป็นได้ทุกปีเรื่องเป็นอย่างงี้ความจริงนะเขามุ่งให้องค์ที่มีจีวรเก่าแย่โยมก็เลยรู้ว่าพระวัดนี้ไม่มีจีวรเก่าแต่ว่าโยมถวายกันเรื่อยถวายสังฆทานถวายไตรจีวรไม่เฉพาะถวายตอนกรถิ่นถวายทั่วไปหมด ทุกรดูการเราก็เลยต้องช่วยกันเอาไปแจกวัดต่างจังหวัดเทียตมาบอกว่าพระรวยนะไม่ได้จริงทั่วความจริงต่างจังหวัดชนบทห่างไกล ย, ยังจนเยอะเดี๋ยวตมาจะพูดไม่ถูกต้องพูดให้โยมเข้าใจด้วยต่างจังหวัดที่ไกลๆเนี่ยท่านยากจนบางทีผ้าผืนนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีมีก็เป็นผ้าเนื้อหยาบ ตาห่างๆเก่าๆสีซีดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยมีสองวิธีหนึ่งกับพระเมื่อได้รับแล้วก็ไปแจกเองบางทีพระก็ไม่มีกําลังพอญาติโยมก็มาช่วยมีญาติโยมหลายท่านก็มาช่วยบางสํานักก็มีเป็นว่ารับประจําไปเลยมีสํานักเรียนมีพระมีเนนเรียนกันมาก ก็มารับของสังฆทานไปประจำไปเลยเอาไปแจกกันให้เป็นประโยชน์กว้างขวางไปยิ่งไปเป็นประโยชน์ก็สํานักที่ยากจนไม่ค่อยมีของใช้และอยู่ห่างไกลมากก็ยิ่งดียิ่งเป็นประโยชน์กว้างขวางออกไปอันนี้ก็เป็นวิธีการในการที่ทาให้สิ่งที่ญาติโยมถวายเกิดประโยชน์ยิ่งเอาไปถวายแจกในที่เป็นประโยชน์มากโยมก็ยิ่งได้บุญมากเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันมีที่ไหนที่ยากจน เราก็ขนขวายช่วยกันไปถวายด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสามัคคีเท่านั้นแหละทีนี้ว่าถึงเฉพาะกระถินตอนนี้ก็คือว่าโยมก็มีความสามัคคีกับพระด้วยตอนแรกนั้นท่านให้เป็นความสามัคคีในหมู่สงด้วยการกรถินที่ว่าได้ผ้ามาหรือทําผ้ามาได้ผ้ามาแล้วก็นํามามอบในที่ประชุมแก่พระองค์หนึ่งเมื่อมอบไปแล้วเนี่ย ถ้าผ้านั้นยังทําไม่เสร็จบางทีต้องมาตัดมาเย็บมาย้อมกันถ้าพระหามาเองเนี่ยมามอบไปแล้วต้องไปตัดเย็บย้อมอกีกทีนี้เวลาจะตัดเย็บย้อมก็ต้องแสดงความสามาัคคีอีกก็คือพระทั้งวัดนะ่ะไม่ว่าจะมีอายุมากอายุน้อยก็ต้องมาร่วมมือกันมาช่วยกันทําจีวรทั้งท่าที่รู้ว่าตัวเองไม่ได้แล้วมอบไปให้แก่พระองค์นั้นแล้วแต่ว่าต้องมาช่วยกันทําจีวรนี้อันเนี้ยนนแสดงความสามาัคคี เราษามาขี่มอบเสร็จแล้วต่อจากนั้นจึงมาหาจีวรให้ตัวเองก็แสดงว่าเราให้นับใจแก่ผู้อื่นก่อนต่อจากนั้นก็ทําเพื่อตัวเองแล้วก็เลยพระพุทธเจ้าก็ทรงมีพุทธานุญาตตรัสอานิสงส์ไว้ด้วยว่าพระที่ได้มาร่วมในการเรียกสังฆกรรมนี่ว่าการกลานกรถินเมื่อกลานกรถิ่นแล้วพระทุกรูป ที่ร่วมในสังฆกรรมนั้นที่จำบรญสาวะในการอนุโมทนาท้าเรียกว่าอนุโมทนาก็พลอยได้รับอานิสง์ไปด้วยอานิสง์ก็คือผลประโยชน์พิเศษซึ่งทางพระมีหข้อเนี่ยที่นี้จะไม่บอกละพระก็ได้กลับกันหมดอย่างน้อยก็คือได้ยืดฤดูการเวลาที่จะเสางหาจีวรสําหรับตนที่ว่าจะมีเวลาเพียงหนึ่งเดือนบางทีหาไม่ทันก็ยืดเวลาไปได้อีกเพราะได้อานิสง์อันเนี้ย ดูทาจีวรก็ยืดยาวออไปเนี่ยพระก็มีโอกาสที่จะทำเพื่อตอนเองได้โดยทำเพื่อส่วนรวมหรือโดยทำเพื่อคนอื่นซะก่อนเนี่ยเป็นเรื่องของน้ำใจก็เป็นคติสำหรับประชาชนว่าในสังคมเนี่ยเราก็ต้องอยู่กันด้วยความสามาคัคคีถ้าสังคมงเรามีความสามัคคีแล้วก็จะให้เกิดความแข็งแรงมั่นคงมีกำลังนอกจากมีกำลังมีความมั่นคงที่ทาให้ทาการสาเร็จแล้วก็มีความสุข บรรยากาศในความสามาคัคคีมีน้ำใจนั้นเป็นบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการที่ทุกคนจะอยู่ร่วมกันเป็นสุขแล้วก็แต่ละคนซึ่งมีหน้าที่ของตนในการทํางานการโดยเฉพาะพระก็คือหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติฝึกฝนอบรมตนก็มีบรรยากาศที่เ อ, อื้อต่อการที่จะปฏิบัติศึกษาพัฒนาตนได้ดีถ้าบรรยากาศไม่ดีมีแต่ความขัดแย้งระแวงกันแล้วก็การศึกษาเล่าเรียนการทํากิจของตนเองไม่ดีไปด้วย ในความสามัคคีนี้มีประโยชน์มากจะทากิจร่วมกันก็สาเร็จด้วยดีมีกำลังเข้มแข็งแต่ละคนถึงไม่ต้องทำอะไรร่วมกันก็เท่ากับคนอื่นมาเอื้อให้บรรยากาศที่สบายใจชื่นใจออคุณจะมีอะไรก็ทำไปละแต่ว่าถ้ามีเรื่องอะไรจะต้องช่วยกันบอกนะพร้อมที่จะช่วยกันทันทีเนี่ยสังคมที่เป็นอย่างเงี้ยจะมีความสุขแล้วก็จเจริญ ง, งอกงามรุ่งเรืองเรื่องของ ออกพรรษาแล้วกเทศการกรถินเนะี่ยมีคติสําคัญอันนี้ท่านสอนไว้และให้ล้ำนํามาใช้ไม่ใช่เพียงแต่ว่ามาถวายผ้าให้พระมีของใช้ยอย่างเดียวที่ถวายแก่พระนะั้นที่จริงก็เป็นความสามัคคีของญาติโยมก็คือโยมมาเกื้อนหนุนพระถวายกําลังแก่พระว่าโอ้พระท่านไม่สะดวกนะจะไปหาจีวรอะไรๆท่านก็ยากบางทีสมัยก่อนนี่ต้องไปเก็บตามกองขอยะไปเก็บตามปา่าช้าเอามา แล้วก็มาต้มมาตัดมาเย็บมาย้อมก็จะเสร็จนี่ยากเย็นโยมก็เลยขนขวายช่วยเหลือเสร็จเนี่ยเป็นความร่วมใจของโยมกับพระสงฆ์เพราะฉะนั้นกถิ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสาคัญที่ว่าไม่ใช่ฉวายเฉยแต่มองเห็นแล้วว่าพระนี่ท่านจำเป็นท่านต้องทำกิจนี้ต้องทำสังฆกรรมนี้ถ้าไม่มีผ้านี้ท่านทำสังฆกรรมไม่ได้โยมก็มาช่วยเหลืออุดหนุนให้กาลังทาให้เลย เพราะนั้นจึงถือว่ามีบุญกุศลเป็นอย่างมากก็เป็นบุญกุศลที่ร่วมกันที่ว่าพระก็มีความสามคัคคีโยมก็มาเกื้อนหนุนพระให้มีความสามคัคคีกับพระด้วยกลายเป็นความสามัคคีในพุทธบริษัททั้งหมดอันนี้เป็นเรื่องของความสามัคคีที่ว่าทีนี้ที่กล่าวมาเนี่ยรวมแล้วเรื่องความสามคัคคีก็มีหลักต่างๆที่อาตมาพูดไปตามเหตุการณ์ของพระธรรมวินัยนี้เรามาดูในแง่เนื้อหาสาระกันบ้าง พระพุทธเจ้าตรัดย้ำเรื่องความสามัคคีเนี่ยทางในวินยัยวินัยของพระนี่ก็มุ่งที่ความสามาคัคคีท่านให้มีกิจร่วมกันของพระเนี่ยตั้งแต่ที่อาตมาเล่าเมื่อกี้บอกพระเนี่ยอย่างน้อยทุกครึ่งเดือนต้องมาประชุมกันทําสังฆ ก, กรรมที่เรียกว่าเรียกแบบชาบ้านว่าสวดปาฏิโมกฟังปาฏิโมกอันเนี้ยก็คือซักซ้อมวินัยที่เรียวกว่าศีล2งร พระก็ต้องมาประชุมครอบกันก็ต้องมีความสามัคคีแหละทีนี้กิจร่วมกันทุกอย่างเนี่ยจะต้องทำด้วยความสามาคัคคีก็เป็นสังกรรมอย่างเรื่องบวชนาคเนี่ยอ้าวก็ต้องเอาพระมาประชุมกันแล้วก็มาดูคุณสมบัติของผู้สมัครบวชเห็นชอบร่วมกันแล้วก็มีมติเห็นชอบร่วมกันแล้วคน น, นนั้นจึงบวชขึ้นมาได้มีเรื่องอะไรเขาส่วนรวมอื่นอีกเยอะแยะแม้แต่ว่า จะตั้งพระทำหน้าที่ทำการสงฆ์อย่างพระองค์หนึ่งเรียกว่าพัดตุเทศมีหน้าที่ที่จะนิมนต์วรรับนิมนต์จากโยมแล้วมาจัดพระไปในกิจนิมนต์นั้นๆไปบ้านไหนวันไหนองค์ไหนไปอะไรต่างๆหรือว่าแม้แต่ว่าเก็บข้าวของในวัดนี่ก็จะมีพระเป็นเจ้าหน้าที่พระเก็บจีวรท้าก็มีองค์หนึ่งก็ต้องมาเข้าที่ประชุมกันตกลงว่าเอาหาพระ ที่มีคุณสมบัติไม่มีอคติไม่มีความลำเอียงแล้วก็มีพรรษาพอเป็นผู้ใหญ่เป็นต้นมีศีลดีแล้วก็ตกลงกันมีมติสงแต่งตั้งขึ้นาการนี้ก็เรียกว่าสมมติสมมติแปลว่ารู้ร่วมกันหรือว่าตกลงกันตั้งขึ้นมาพระองค์นั้นก็จะมีชื่อว่าจีวรานิทหกเป็นผู้ที่เก็บจีวรทีนี้องค์ที่เก็บจีวรก็มีหน้าที่เก็บนะไม่ต้องมีหน้าที่แจก ตั้งอีกองหนึ่งมาเป็นผู้ทําหน้าที่แจกเรียกว่าจีวรภาชกะก็เอา อ, องค์มาเข้าที่ประชุมแล้วก็ตั้งเป็นองค์แจกจีวร อ, อย่างนี้เป็นต้นองค์อื่นแล้วแต่ลมีหน้าที่กันอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ทำกันอันนี้เป็นสังคกรรมเรียว่าตามพระวินัยของพระพุทธบัญญัติเรื่องคำประสงค์ก็อยู่กันในอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของสังคกรรมเป็นเรื่องของส่วนรวมเป็นเรื่องของความสามารถขี่พร้อมใจ สมัยนี้เรียกกับประชาธิปไตยกันแหแต่ประชาธิปไตยสมัยก่อนนี่ท่านเน้นที่ความสามัคคีจุดนี้ท่านเน้นมากต้องมีความพร้อมเปลี่ยงกันไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบแย่งกันเวลานี้น่ากลัวที่ว่าประชาธิปไตยมักจะเป็นประชาธิปไตยแบบแย่งแบ่งแยกและแข่งแย่งย้ำบ่อยๆเช่นแม้แต่เสมอภาคก็คอยเพ่งกันว่า เออเธอได้เท่าไรฉันได้เท่าเธอหรือเปล่านี่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบเสมอภาคแต่ว่าเป็นเสมอภาคแบบแบ่งแยกและแข่งแย่งแต่ของพระนี่เสมอภาคเป็นหลักการสําคัญมากเลยแต่ว่าเสมอภาคแบบสมานแบบสมานก็คือแบบที่เสมอในสุขและทุกข์เป็นต้นเออเสมอในสุขและทุกข์เธอทุกข์ฉันก็ทุกข์ด้วยเธอสุขฉันก็สุขด้วยไม่ใช่เธอสุขฉันก็สุขด้วยเธอทุกข์ฉันไม่ทุกข์ด้วยนย อย่างนี้ก็ใช่ไม่ได้นี่ของพระเนี่ยท่านถืออย่างนี้เลยสมานะสุขทุกขตาต้องมีสุขทุกขเสมอกันเสมออย่างเงี้ยทานเรียกว่าเสมอแบบสมานเป็นความสมานสามคัคคีเป็นหลักการของประชาธิปไตยท่านไม่เรียกประชาธิปไตยเพราะท่านถือสามัคคีเป็นสําคัญเอาล้วเดี๋ยวไปกันไกลก็แปลว่าเรื่องของสงเนี่ยเป็นเรื่องของความสามคัคคีพระพุทธเจ้าก็ ทรงบัญญัติไว้ในทางพระวินัย น, นี่เต็มไปด้วยเรื่องสามัคคีตัต้งแต่สังฆกรรมนี่แหละแล้วก็มาสังฆกรรมที่บอกเมื่อกี้มาปรวรณาออกภรษาก็เรื่องของความสามัคคีว่าอยู่ร่วมกันมาแล้วน่ะมีอะไรที่จะบกพร่องอะไรก็ให้ว่ากล่าวกันได้นะคนอยู่ร่วมกันแล้วว่ากล่าวกันไม่ได้นี่เกิดปัญหาแน่น่ะก็กินแหนงแข่งใจกันเป็นต้นก็อยู่กันไม่เป็นสุขพราฉะฉนะพุทธเจ้าให้ทําเป็นสังฆกรรมเลย ต้องมาในที่ประชุมเปิดโอกาสกันเลยเชิญกันเลยให้ว่ากล่าวกันเนี่ยปรณาเสร็จไปสองวันเนี่ยพระก็มารับกฐินกฐินก็เป็นสามัคคีแหละพระทุกองค์ก็ต้องมาพร้อมใจกันยกผ้าที่ได้มาเนี่ยให้แก่พระองค์หนึ่งแล้วเสร็จแล้วยกไปให้แล้วต้องมาร่วมกันทาอีกจนกระทั่งเสร็จแล้วก็เข้าที่ประชุมองค์ที่ได้รับไปทําเสร็จแล้วก็แจ้งกับที่ประชุมที่ประชุมก็อนุโมทนาอนุโมทนาพร้อมใจกัน ก็ได้รับอานิสงส์ไปด้วยกันเนี่ยเสร็จแล้วกรถินเสร็จแล้วทีนี้จะจากกันไปก็จากกันได้น้ําใจดีมีสามัคคีนี่แหละเป็นสาระของสังฆกรรมการอยู่ร่วมกันเพราะประสงค์ข้นเรื่องของประสงค์ด้านวิไนัยนี้เต็มไปด้วยเรื่องสามัคคีพระพุทธเจ้าก็เน้นเรื่องสามัคคีหลักธรรมที่จะเข้ามาในพิไนน์เนี่ยคือว่าตามปกตินี่ธรรมะเรามักจะพบในพระใจปิดกส่วนพระสูตร ทีนี้ธรรมะที่มาอยู่ในวินัยก็มีนะอยู่ในวินัยข้อสําคัญก็คือหลักความสามัคคีนี่แหละสามัคคีก็หลักสารานิยธรรมสารานิยธรรมก็มีหประการก็เลยถือโอกาสพูดในทีนี้ด้วยมีทั้งในพระสูตรทั้งในพระวินัยในพระพุทธเจ้าทรงเน้นไว้หนึ่งจะทำอะไรก็ทําต่อการได้เมตตาเนี่ยก็คือแสดงออกทางกายก็แสดงได้เมตตา สองจะพูดอะไรแสดงออกทางวาจาก็แสดงออกได้เมตตาจะว่ากล่าวแนะนำกันก็ทำด้วยหวังดีพูดว่ากล่าวแนะนำตักเตือนกันได้หรือว่าแม้แต่ไม่มีเรื่องอะไรก็พูดพิยวัจจาพูดวาจาสุภาพอ่อนโยนด้วยใจรักแล้วก็ต่อไปคิดอะไรก็คิดต่อกันด้วยเมตตาต่อไปก็ได้มาแบ่งกันกินใช้ทางพระท่านเรียกว่ามีลาบก็มีลาบเสมอการเป็นปสาธารณะ ได้ลาบมาก็เออของฉันนไม่หวงแล้วถ้าเป็นพระนี่ก็แบ่งให้ได้ทั่วกันถ้าเป็นขฤาือหัสเป็นพระโสดาบันนี่ท่านไม่หวงเลยนะพระโสดาบันนี่ลักษณะสำคัญก็คือไม่มีมัชชริยะพระโสดาบันนี่ไม่มีเลยมัชชริยะทั้งคองความตอนหนีเหนียวแน่นไม่มีได้อะไรมา อยากให้เป็นประโยชน์กก่ทุกคนอื่นทั่วไปหมดเนี่ยก็ขยายไปครุษัตเป็นโสดาบันนี่ก็เป็นบุคคลที่ประเสริฐอย่างยิ่งเป็นอารยชนอ่าแล้วต่อไปนี่ข้อนี้ท่านเรียกเป็นภาษาบาลีว่าสาธารณะโภคิตาเพราะว่าเป็นผู้มีของบริโภคเป็นสาธารณะร่วมกันไปเลย แล้วต่อไปก็ศีรสามัญญาตามีความประพฤติดีเสมอกันหมายความว่าประพฤติตัวให้ดีงามไม่เป็นที่น่ารังเกียจเขาหมูนะ่คณะแล้วต่อไปก็ทิฏฐิสามัญญาตามีความคิดเห็นที่ลงกันได้มีความคิดเห็นแตกต่างก็มาพูดจากันไม่มาถือเป็นข้อทิฏฐิดื้ร้นมาพูดจาปรับความเข้าใจกันสร้างอิหลักการร่วมกันหลักการพระาศาสนาหลักการของพระธรรมวิ น, นัย เป็นอันหนึ่งอัเดียวกันภาษาสมัยใหม่เรียกว่ามีอุดมการณ์เดียวกันหลักหประการนี้ท่านเรียกว่าเป็นหลักสารานิยธรรมเป็นธรรมที่เป็นเครื่องให้ระลึกถึงกันแล้วก็ทําให้เกิดความสามคัคคีอันนี้ท่านใช้สําหรับพระสงฆ์แล้วก็ญาติโยมก็เอาไปใช้ได้หลักธรรมชุดนี้ก็ามาใช้ในพระวินัยด้วยแต่วินัยนั้นในเชิงปฏิบัติการก็คือมีสังฆกรรมเนี่มากมายเป็นเรื่องความสามัคคีทั้งนั้นเลย นี่ก็เป็นเรื่องด้านพระวินัยทีนี้ด้านธรรมะด้านธรรมะคาสอนเกี่ยวกับความสามัคคีนี่เอาเฉพาะหลักสําคัญกันลกน้กันก็เมื่อกี้สารานิยธรรมก็พูดไปแล้วหลักอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือในการปกครองเนี่ยต้องมีอปรร han ิยธรรมอปริหานิยธรรมนี่มีเจ็ดประการมีอปริหา n ิยธรรมสําหรับพระมีอปริหานิยธรมม ร, ร, ม ร, ยธรมสาหรับคฤ ร, ร, ร, รืรหัดสําหรับการปกครองบ้านเมืองเริ่มตั้งแต่อันที่หนึ่งก็คือว่า มันประชุมกันหนึ่งนิดนี่ข้อที่หนึ่งนี่ข้อแรกเลยนะหลักการอยู่ร่วมกันเป็นสามาคัคคีในการปกครองต้องหนึ่งมันประชุมกันหนึ่งนิดอภินหนสันนิปาตามีการสันนิบาตก็คือการประชุมอภินหนกันสม่ำเสมอเป็นประจำเนี่ยสังคมประชาธิปไตยก็ต้องมีหลักการนี้มีการประชุมกันหนึ่งนิดประชุมกันสม่ำเสมอ แล้วก็ข้อสองเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมไม่ใช่ว่าขาดประชุมกันเยอะแยะไม่ค่อยจะพร้อมสักทีองค์ประชุมไม่ค่อยจะครบอย่างนี้ประชาธิปไตยก็ไปไม่ค่อยไหวเพราะขาดวาความสม่ำเสมอเนี่ยต้องมีอภินันสนิปาตาเนี่ยก็มีการประชุมกันหนึ่งนิดนแล้วก็ เมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกับประชุมเมื่อเลิกประชุมก็เลิกพร้อมกันไม่ใช่ว่าเดี๋ยวไปคนเดี๋ยวไ ป, ปคนหนึ่งพอถึงท้ายประชุมเหลืออยู่สองคนเลยไม่ไหวบางทีลงมติไม่พอซะและ้วเนี่ยไม่ครบองค์ประชุมเนี่ยท่านไม่หลักไว้ก็สำคัญพระสงฆ์นี่ต้องถือหลักนี้การประชุมทั่วไปก็ถือหลักนี้ต่อไปก็มีหลายข้ออันนี้จะไม่พูดละ เช่นว่ามีให้เกียรติคุณสตรีไม่มีการข่มเหงหลังแก่อันนี้ก็เป็นหลักสำคัญที่ฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายพระก็มีเช่นว่ายินดีต้อนรับพระภิกษุที่ยังไม่มาที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขอะไรเป็นต้นอย่างเงี้ยนะมีการเคารพกันให้เกียรติผู้ที่มีประสบการณ์มากเป็นผู้ใหญ่ในสงฆ์อะไรต่า ง, า ง, างรู้จักเชื่อฟังหรือรู้จักรับฟังคำ ไม่มีการถือทิฏฐิดือ้อรั้นเป็นต้นอันนี้เป็นหลักของความสามัคคีก็เป็นหลักของการปกครองด้วยนั่นแหละปริหารนิยธรรมและวก็หลักอะไรอีกหลักที่สําคัญอีกหลักหนึ่งที่ญาติโยมต้องใช้มากคือสังขาวัตถุสซึ่งมาจากในใจก็มีพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุติตาเบกขาออกมาในสังคมต้องแสดงออกเป็นสังขาวัตถุสสังขาวัตถุสี่มีอะไรบางหนึ่งทานการแบ่งปันการให้เผื่อแผ่ มีของก็มาแบ่งปันให้แก่กันไม่หวงไว้ใช้คนเดียวถ้าตัวเองมีฐานะดีก็เผื่อแผ่ช่วยเหลือคนอยากจนด้วยเนี่ยทานเป็นข้อที่หนึ่งะให้เผื่อแผ่แบ่งปันด้เมตตาด้วยกรุณาด้มุทิตาสองก็ปิยาวาจาพูดวาจาเป็นที่รักด้น้ำใจใจรักใจปรารถนาดีต่อกันแล้วก็อัธจริยาประเพณประโยชน์ประพฤติประโยชน์ต่อกัน ด้เมตตาความรักบ้างด้วยกรุณาปรารถนาจะให้เขาพ้นจากความทุกข์ยากเดือดร้อนในยามมีเพศภัยเป็นต้นแล้วก็ด้วยมุติตาก็คือส่งเสริมคนดีให้เขาทําความดีให้สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยและก็ข้อสุดท้ายสมานัตตาสมานัตตาก็แปล ว, ว่ามีตนเสมอก็คือความเสมอภาคนั่นเองหลักความเสมอภาคของพระถือเป็นสําคัญอย่างยิ่งเป็นตัวคุมท้าย การที่ว่ามีตนเสมอเนี่ยไม่ใช่วัดเสมอเท่ากันแล้วก็ค่อยมองจ้องกันนะสมานัตตามีตนเสมอก็คือเข้าหาถึงกันน่ยสข้อแรกนิทานให้แก่กันอาจจะอยู่คนละทางคนละที่กับมาให้กันปิยาวาจาก็พูดดีต่อกันก็อยู่คนละค่ากับพูดดีต่อกัน อาธิญิกาก็อยู่คนละที่ก็มาประพฤติดีต่อการบำเพ็ญประโยชน์กันเขาเดือดร้อนเขาเกิดน้ําท่วมไฟไหมเราอยู่กรุงเทพแล้วก็ไปช่วยอะไรเนี่ยอยู่คนละที่พอสมานนตตามีตนเสมอนี่เข้าคลุกเลยเข้าร่วมเข้าอยู่ด้วยกันพระท่านอธิบายว่าสมานสุขทุ ก, กตามีสุขทุกข์ร่วมกันว่างั้นร่วมสุขร่วมทุกข์ความเสมอภาคของพระนี่ต้องแสดงออกด้วยการร่วมสุขร่วมทุกข์ ไม่ใช่ว่าคอยเพ่งจ้องว่าเออฉันได้เท่าเธอหรือเปล่าอย่างนี้ไม่ไหวแล้วยุคนี้เป็นยุคธุรกิจแล้เลยเพ่งกันในแงน่นี้แล้วประชาธิปไตยก็เป็นประชาธิปไตยแบบแบ่งแยกแก่งแย่งกันอยู่เนี่ยแล้วมันจะไปดีอะไรมันจะเจริญงอกงามประเทศชาติจะเข้มแข็งได้ไงก็อ่อนแอสิแบ่งแยกกันอย่างงี้ประชาธิปไตยที่ถูกต้องต้องมีสามัคคีต้องมีความเสมอภาคแบบสมานต้องเป็นสมานุตตามีตนเสมอ มีตนเสมอหนึ่งก็ทัาแปลง่ายๆไม่ถือตัวไม่ถือตัวก็คือว่าไม่ดูถูกดูหมิ่นกันนี่อันหนึ่งละไม่ดูถูกดูหมิ่นกันนี่ก็แสดงว่าเสมอภาคสองไม่เอารัดเอาเปรียบกันไม่เอารัดเอาเปรียบก็แสดงว่าเสมอภาคสามไม่เลือกที่รักมักที่ชังหรือไม่เลือกที่รักผลักที่ชังเดียวว่ารักก็เอาด้วยไม่รักก็ผลักเอาไปอะไรไม่ใช่อย่างนั้น ก็ต้องมีความเสมอภาคเป็นธรรมนะมีความเป็นธรรมเท่าเทียมกันแล้วก็อย่างที่ว่าสมาณะสุขทุกตามีสุขทุกเสมอการร่วมสุขร่วมทุกถ้าเสมอภาคแบบนี้แล้วสังคมก็ดีแน่นี้ประชาธิปไตยของเรานี้ไปไม่ค่อยถึงประชาธิปไตยยังอยู่แค่เปลือกสมานะแล้วก็เลยงอนเง่นสังคมไม่มั่นคงประชาธิปไตยแบบแบ่งแยกปีธุรกิจเป็นใหญ่ ถ้าธุรกิจเป็นใหญ่ก็ต้องแบ่งแยกกับคอยมองอย่างที่ว่าจะได้เท่ากันไหมคนนั้นได้เท่าไรเราได้เท่าเขาเท่าไหรก็อยู่ก็แค่นี้แหละไม่ไปไหนสักทีอันนัก็ต้องให้มาใช้ความเสมอภาคแบบสมานตตตาของพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เอาอย่างนี้แล้วก็ให้ไปถึงสมานะสุขทุกขตาให้ได้ร่วมสุขร่วมทุกข์กันนะแล้วเราก็จะมีความสามารถมีมีความสุขอันนี้ก็คือหลักสังขาวัตถุ มีสมานัตตานี่มีทั้งเข้าร่วมกันเสมอภาคสมานแล้วก็มีความเป็นธรรมอันนี้สําคัญถ้ามีเมตตามีกรุณามีมุทิตาอะไรเงี้ยแม้จะมีทานมีปียาวาจาทัาจเริยแต่ขาดความเป็นธรรมซส อ, อย่างเดียวก็สามารถขี่ไม่รอดไปไม่ไหวเหมือนกันนั้นต้องมีความเป็นธรรมนั่นก็เลยสังฆ ก, กรรมต่างๆทางวินัยก็จะยึดความเป็นธรรมความถูกต้องเนี่ยเป็นใหญ่ถือธรรมเป็นใหญ่เป็นธรรมมาธิปไตย ก็เลยเป็นแกนของหลักของวัชาธิปไตยนี่ก็เป็นเรื่องของการย้ำให้เห็นว่าความสามัคคีนี้สำคัญมากในเรื่องของพระพุทธศาสนาทั้งด้านธรรมะและวินัยทางวินัยก็มีพุทธบัญญัติต่างๆสังฆกรรมเป็นต้นอย่างที่ว่าไปแล้วทางธรรมะก็หลักธรรมคำสอนที่ทั่วไปหมดสำหรับทางพระท้งญาติโยมให้เรามีหลักความสามัคคีนี้ไป จะรักษาสังคมให้อยู่ได้แล้วสังคมนี้ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่เป็นสุขของบุคคลและเอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของบุคคลไปด้วยเมืงอไนแล้วบุคคลก็จะอยู่เป็นสุขไม่ได้ถ้าสังคมไม่มีความสุขที น, นี้เรื่องของความสามัคคีนี่ก็ขอขยายไปอีกนิดหนึ่งเวลาก็กระชั้นเต็มทีแล้วตอนนี้คือความสามัคคีนี้แสดงออกหลายด้านหนึ่งกายสามัคคี มีความสามาคัคคีทางกายอย่างสังฆกรรมนี่ขั้นต้นท่านก็มุ่งให้กายจะสามาคัคคีก็คือตัวเราข้างนอกเนี่ยได้มารวมกันถ้าตัวไม่มารวมกันมันก็ทำอะไรไม่ได้ท่านก็เลยให้มีกายจสามาคัคคีก็เช่นว่าให้เข้าที่ประชุมต้องนับองค์ประชุมมาครบไมหมอะไรไปต่อันนี้เรียกว่ากายจสามาคัคคีอย่างโยมมาในวันนี้มันนั่งพร้อมกันนี่โยมก็มีกายจสามาคัคคีและมีความสามาคัคคีทางกายเอาแล้วได้หนึ่งแล้ว นี่ท่านบอกว่าสองต้องมีจิตสามัคคีต้องมีความสามัคคีทางใจใจต้องมีจุดหมายอันเดียวกันมีความปรารถนาดีต่อ ก, กันมีจุดประสงค์ที่เป็นความดีความงามความสุขความเจริญร่วมกันหรืออย่างวันเนี้ยโยมก็มีจุดหมายร่วมกันจะมาทำบุญทากุศลมาทอดกฐินอย่างน้อยแค่นี้และมีศรัทธาร่วมกันมีใจร่วมกันและแค่นี้เป็นจิตสามัคคีและ ก็ใจก็สามัคคีร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยท่านเรียกว่าสามัคคีในที่นี้ก็คือว่าสมจจิตตามีใจตรงกันแล้วก็มีเอกจิตตามีใจเดียวกันเนี่ยก็ร่วมจิตร่วมใจใจตรงกันแล้วก็ใจเดียวกันอย่างเงี้สามัคคีแน่มีกายาสามัคคีอย่างเดียวกันกายมาพร้อมกันแล้วใจคิดคนละอย่างใจไม่ชอบการใจไม่ปรารถนาดีต่อการคิดคนละอย่างมุ่งหมายคนละอย่าง กายสามัคคีก็ไปไม่รอดจิตไม่สามคัคคีเพราะฉะนั้นต้องจิตสามคัคคีแต่จิตสามัคคีกายไม่มาก็ไปไม่ไหวมันก็ทำอะไรไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นต้องทั้งสองอย่างแต่ว่าใจสามัคคีนี่แหละมันเป็นแกนแล้วยโยมีใจสามัคคีก็พร้อมที่จะพากายมาถล้วกายสามัคคีมาที่นี่แล้วใจก็สามัคคีด้วยก็แน่และมีอะไรก็ทาด้วยกันได้อันนี้ก็เรียกว่า เกิดความพร้อมเพียงที่แท้จริงก็แปลว่าให้มีกายัสามัคคีแล้วก็มีจิตตสามคัคคีทีนี้เรื่องสามัคคีก็เอาละทีนี้แบ่งอีกแบบหนึ่งกายะสามัคคีเราเอาไว้แล้วข้างนอกทีนี้ต่อไปวาจาสามัคคีมีไหมก็บอกว่ามีวาจาสามัคคีก็คือ กล่าวคำที่มันจะทำให้เกิดความสมานสามคัคคีเป็นวจีสุจริต อ, อย่างหนึ่งหรือเป็นสัมมาวจาย่างหนึ่งสัมมาวจามีอย่างไรบ้างมีองค์ประกอบท่านที่อยู่ในวงการของธรรมะอาตมาก็จะถามและว่าสัมมาวาจานี่เป็นวาจายัางไงบ้างมีองค์ประกอบเท่าไรบอกว่าสัมมาวาจามีองค์ประกอบ4ีใช่ไหมหนึ่งเป็นวาจาที่ไม่เท็จเป็นวาจาจริงต้องเว้นจากมุสาวาท เว้นจากปิดสุนาวาจาเว้นจากวาจาสอดเสียดยุโยงให้เขาแตกกันแล้วก็เว้นจากพารุสวาจาเว้นจากคําหยาบแล้วก็เว้นจากคําพูดเพรสเจอร์ถ้าได้อย่างนี้แล้วก็เป็นสัมมาวาจาได้เป็นวจีสุจริตแต่ทีนี้ข้อที่ว่าเว้นจากวาจาสอดเสียดไม่กล่าวยุโยงให้คนแตกแยกกันเนี่ยท่านพูดในทางบวกท่านมีคําท่านเรียกว่าสมัค ข, ขกรณีวาจาน สมัคคกรณีวาจาแปลว่าวาจาทำให้คนสมักสมานกันหรือวาจาสร้างความสามัคคีนั่นเองอันนี้สาคัญวาจาที่พูดกันเนี่ยเราอาจจะพูดว่ากล่าวตักเตือนอะไรอะไรกันก็นได้แต่ว่าน้ำใจต้องปราถนาความสามคัคคีไม่ใช่ว่าใจเนี่ยมุ่งจะว่าร้ายเขาหรือแกล้งหรือคมคูหรือทําให้เขาเสียหายอะไรต่างๆเหล่านั้น ใจแม้จะว่าจะเตือนจะอะไรก็ทําด้วยความปรารถนาดีได้ใจรักถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรก็ไม่เสียสมัครคกรณีวาจาและไม่เสียปิยาวาจาด้วยก็เอาเป็นว่าต้องมีวาจาที่เป็นสมัครคกรณีวาจาระวาจาที่ทําให้คนสมัครสมาลสามคัคคีเนี่ยเป็นสําคัญนี่วาจาสามัคคีเลยแล้วต่อไปก็สามัคคีในกิจกรรมมีกิจกรรมที่สามคัคคีสามัคคีในความหมายหนึ่งท่านบอกว่า มาจากขอไผ่นะแยกสับให้โยมหน่อยอาจจะยากนิดหนึ่งมาจากคาว่าสามัคคีนี่มาจากสังสังเป้าร่วมกันแล้วก็อาาักคาะอักคะป้ายอดหรือจุดรวมจุดรวมจุดหมายแปลว่ามียอดรวมหมายความว่าคนจะทําการอะไรนี้ต้องมีจุดหมายร่วมกันถ้ามีจุดหมายร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วมันก็เกิดใจมุ่งไปที่เดียวกันมันก็เดินทางเดียวกันมันก็เกิดกําลังเข้มแข็งทําการกิจกรรมต่างๆ ทำความเปลี่ยนพยายามเพื่อจุดหมายอันเดียวกันนี้เกิดความสามัคคีแน่นอนนั่นคนที่จะสามัคคีก็ต้องมีจุดหมายร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้สําคัญแต่ว่าแสดงออกที่ทํากิจกรรมร่วมกันก็แปลว่าทั้งกายแสดงออกภายนอกสามัคคีวาจาสามัคคีแล้วก็มาทํากิจกรรมที่เป็นสามัคคีเหมือนโยมทําวันนี้ก็มาทําการทอดกรถิ่นกิจกรรมก็เป็นจุดหมายร่วมมีจุดหมายร่วมกันก็เป็นความสามัคคี เอาละก็พูดถึงแง่ต่างๆความสามาคัคคีทีนี้ที่พูดไปแล้วก็มีจุดที่เอามาแยกแยะหรือเน้นย้ำให้โยมได้ชัดอีกทีหนึ่งว่าความสามัคคีที่บอกว่ามีใจเดียวกันมีใจตรงกันร่วมกันอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเหมือนกันเสมอไปนะว่างี้ยมันต่างกันก็ได้ต่างกันก็ได้ก็หมายความอย่างที่ว่าไปแล้วนั่นแหละ เดี๋ยวจะบอกว่าสามัคคีนี่ต้องเหมือนกันหมดไม่ใช่เพางั้นนะอย่างที่บอกแล้วแม้แต่ต่างกันก็ได้ก็ยังคนทํากิจกรรมต่างเนี่ยมีจุดหมายรวมกันถ้าเป็นคนเก่งนะเขาจะมีคนที่สมานประสานกิจกรรมที่แต่ละคนหรือคนแต่ละกลุ่มแยกกันไปทําคนละอย่างแต่ทําคนละอย่างแล้วมาประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าขืนทําอันเดียวกันหมดบางทีกิจกรรมใหญ่ๆไม่สําเร็จหรือไม่ได้ผลดีนี่สามัคคีที่สําคัญที่เก่งเนี่ย ต้องรู้จักแบ่งงานกันทําได้ด้วยแล้วแบ่งงานแล้วประสานงานประสานจุดหมายรู้จักทํากลไกจัดให้มันต่อเนื่องประสานกันดีอันนี้แม้จะต่างกันก็ได้ผลสําเร็จได้ดีแม้ในทางวาจาก็เหมือนกันวาจาที่ว่าเนี่ยวาจาที่ว่าจะต้องมาเหมือนกันกล่าวตามกันคนนี้ว่าอย่างนั้นคนนั้นต้องว่าอย่างนี้อะไรเงี้ยอย่างนี้จะจริงกับสามัคคีหรือเปล่าไม่จําเป็นไม่ใช่ว่าคนนี้ว่าอย่างนี้แล้วคนอื่นก็ต้องว่าตาม มันก็ไม่ต้องว่าตักเตือนกันสินี่อย่างปรวรนาได้บอกชัดเลยที่ปรวรณาก็คือว่าให้ว่ากล่าวตักเตือนมีความเห็นต่างกันก็ว่ากันได้ไม่ถือสาแต่มันสำคัญที่ไหนมันสำคัญที่มีความปรารถนาดีหวังดีเพราะฉะนั้นคำที่ท่านปรวรณาเนี่ยคำพระท่านบอกไว้ในตัวครบถ้วนเลยโยมต้องจําไว้นะเนี่ยบางคนก็ไปบอกฉันทำนี้ว่ากล่าวตักเตือน แต่ไม่รั้วใจหวังดีหรือเปล่าถ้าใจไม่หวังดีนี่ไม่แน่หรอกน่ยไปทำโน่นทํานี่บอกว่าฉันทําด้วยเจตนาดีเจตนา ด, นาดีมันต้องชัดไอ้กงที่มีเจตนาดีมีความหวังดีเพราะฉะนั้นให้มาดูคําประวัติาของพระคำปรวัติาของพระก็คือว่าเห็นอะไรที่มันผิดหูผิดตาทําไม่ถูกไม่ต้องเห็นก็ดีได้ยินก็ดีระแวงสงสัยก็ดีให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ นี้ท่านก็บอกว่าอะไรก็บอกสังค์คำพันเตปวารเรมิกับผมขอกล่าวเปิดโอกาสกระสงหรือกล่าวเชิญเลยเชิญสง์เลยทิเถนวาสุเตนวาปริสังกายยวาจะได้เห็นก็ตามจะได้ได้ยินก็ตามจะได้ระแวงสงสัยก็ตามว่าทันตุมังอายสัมมันตัวอนุกรมปังอุ ป, ปาทายะได้ยินได้ฟังมาอย่างที่ว่าแล้วมันมีอะไรผิด ที่ผมก็ทําไปก็วัดทัานตุมังจงบอกกล่าวกับผมนะเนี่ยบอกเลยเชิญให้บอกแล้วต่อไปอายัสมันโตนุกรรมปังอุปาทายะโดยที่ท่านภูมิอายุนี่ภาษาพระท่านภูมิอายุท่านภูมิอายุก็คือท่านทั้งหลายเนี่ยอนุกรรมปังอุปาทายะอาศัยความเอนดูนี่ภาษาโบราณอนุกรรมปังอุปาทายะอาศัยความเอนดู ภาษาโบราณเอนดูนี่ก็คือความเมตตากรุณาความหวังดีปรารถนาดีนั่นเองท่านผู้มีอายุมีความหวังดีปรารถนาดีจงว่ากล่าวข้าพเจ้าเถิดว่างั้นนีปัสสันโตกติกรฤทิสามิเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นแล้วก็จะได้แก้ไขว่างั้นเนี่ยเนป็นการบอกเลยว่าตัวเองจะต้องแก้ไขปรับปรุงไม่ใช่อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างเดิมสามัคคีอย่างนั้นไม่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงไปนะอยู่ยังไงอยู่ย ง, งั้นก็สามัคคีอย่างนี้ไม่เจริญเพราะฉะนั้นสามัคคีนี้ต้องมีความต่างได้มีความแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงได้เจริญงอกงามได้เฉะนั้นก็เอาเป็นว่าความสามัคคีนี้ไม่ใช่ว่าต้องอย่างเดียวกันหมดแตกต่างกันก็ได้ทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือสามัคคีนั่นก็มีสองแง่ ก็คือสามัคคีอยู่ร่วมกันทําการร่วมกันให้เกิดกําลังทําให้เกิดความสําเร็จอยู่เย็นเป็นสุขแต่วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งที่สําคัญนะอย่าลืมนะก็คือวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปรับปรุงมากยิ่ง ก, นะก็คือการพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าอยู่เป็นสุขก็อยู่กันอยู่อย่างนั้นอ่ะเท่าใดก็เท่านั้นไม่เจริญก้าวหน้าไปอยู่เป็นสุขมีกําลังกับทำกันอยู่เท่านั้นอันนี้ก็ ท่านมุ่งหวังข้อสําคัญในความสามัคคีอย่างชนิดสามัคคีแบบปรณาก็คือต้องการการแก้ไขปรับปรุงอะไรมัยังบกพร่องยอดหย่อนก็แก้ไขมาช่วยกันบอกกันกล่าวแม้ส่วนตัวก็ตามส่วนรวมก็ตามก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเท่านั้นส่วนตัวเราแต่ละคนชีวิตจะดีงามจะเจริญพัฒนาต้องมีการแก้ไขปรับปรุงพุทธศาสนาสอนให้เรามีจิตสํานึกในการฝึกฝนปรับปรุงตนเสมอ คนใดมีจิตสํานึกในการฝึกฝนตนเองอย่างเด็กๆเนี่ยท่านเรียกว่ามีจิตสํานึกในการศึกษาจิตสํานึกในการศึกษาก็คือจิตสํานึกในการฝึกตนมนุษย์เนี่เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกทําให้ฝึกแล้วจะเจริญไม่ได้ก็อขอย้ำอีกทีพระพูดบ่อยๆคือคนไทยเนี่ยชอบพูดขอภัยพูดผิดๆบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐประเสริฐที่ไหนละมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐพูดไม่ครบพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกทําให้ฝึกละหาประเสริฐไม่เนี่ยพูดไปได้มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐมันประเสริฐด้วยการฝึกฝึกแล้วจึงประเสริฐนะท่านพูดเต็มว่ามนุษย์ที่ฝึกแล้วประเสริฐสูดนอกจากประเสริฐในหมู่มนุษย์แล้วประเสริฐก็เทวดาก็ได้พอมนุษย์ฝึกตนเองแล้วประเสริฐเทวดาพระพรหมท่านยอมเลยนะ บอกว่ามนุษยภูตังสามพภูตังอัตถันตังสมาหิตตังเทวาปินมัสสันติธนวังันบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทั้งทังที่เป็นมนุษย์นี่แหละแต่เป็นผู้ฝึกพระองค์แล้วมีพระไถยตั้งมั่นได้ดีฝึกอารมณ์อย่างดีแล้วแม้เทพทั้งหลายก็น้อนมนมัสการนี่แหละธรรมนุษย์ฝึกตนแล้วก็เทวดาพระพรมก็ยอนนมนมัสการเราไม่ได้ไข่มขีนะเราไม่ได้ไปเหยียดหยามท่านเราไม่ได้ไปบอกท่านให้ไหวหรอก แต่ว่าเทวดาท่านมีใจดีท่านรู้จักคนดีท่านก็เลยไหว้คนดีนั่นก็ความดีก็มาอยู่ที่คนดีคนดีก็รักษาความดีไว้เพราะฉะนั้นให้จําไว้มนุษย์ประเสริฐได้การฝึกมนุษย์ที่ฝึกแล้วประเสริฐสุดแม้ในหมู่มนุษย์และเทพทั้งหลายก็ให้ถือหลักนี้ไว้เด็กนักเรียนทั้งหลายในะอยู่ในวัยสําคัญที่จะต้องมีจิตสํานึกในการศึกษาหรือจิตสํานึกในการพัฒนาตนก็คือจะต้องมีจิตสํานึกในการฝึกต้น จิตสำนึกในการฝึกตนก็คือมองสถานการณ์ทั้งหลายเป็นการเรียนรู้เป็นโอกาสที่จะเรียนรู้ไม่ถือเอาชอบใจไม่ชอบใจอะไรจะชอบใจฉันก็เรียนรู้ได้อะไรไม่ชอบใจฉันก็เรียนรู้ได้ไอ้ที่ไม่ชอบใจบางทีได้เรียนรู้มากกว่าไอ้ที่ชอบใจเออไอ้เจอสิ่งไม่ชอบใจได้เรียนรู้มากกว่าและกลายเป็นชอบสิ่งที่ไม่ชอบอ้าวคนเรามันเป็นอย่างงี้นะถ้าวางใจถูกแล้วสิ่งที่ไม่ชอบแล้วยิ่งชอบใหญ่ เพราะอะไรเพราะสิ่งที่ไม่ชอบนี่มันเป็นอุปสรรคเป็นต้นมันยากงานยากเป็นต้นเนี่ยเราเจองานยากได้ฝึกตัวเองมากคนที่ชอบฝึกตัวเองก็เจองานยากบอกว่าฉันได้ฝึกตัวเองมากฉันก็ชอบใจสิก็เลยชอบงานที่ยากงานที่ยากได้ฝึกตัวเองมากเพราะนั้นคนไหนชอบงานยากคนนั้นก็สบายมีความเจริญงอกงามดีทั้งนั้นทั้ทงพระท่านเลยถือว่า ไม่รู้ว่าเจอสุขเจอทุกข์ฉันดีทั้งนั้ น, นเจอสุขก็อย่ามัวเมานะถือเป็นโอกาสทําอะไรได้ง่ายได้คล่องรีบทำซ ะ, ะเวลาสุขก็คือโอกาสอํานวยสุขง่ายกว่าคล่องรีบทำซะไม่งั้นเราไปเพลินแลยประมาทเลยเสียเลยเสื่อมเจอทุกข์เจอทุกข์ก็แปลว่ายาก ยากมาบีบคั้นกดดันเราต้องรีบดิน้นรีบดิ้นก็รีบทํารีบสู้ตั้งเข้มแข็งทำแล้วเราก็ได้บทเรียนได้ฝึกตนเราก็จเจริญงอกงามเพราะฉะนั้นดีเท่านั้นไม่ว่าทุกข์วัตสุขคนที่ฝึกตนแล้วก็ดีเท่านั้นนี่พุทธเจ้าสอนว่าอย่างเนี้ยนี่เราจ ะ, จะเจริญฝึกตนได้ดีก็ต้องอาศัยสามัคคีหมู่คณะคนอื่นมาช่วย อย่างที่ว่าปรณานี้ก็เออเรามีจิตสํานึกในการฝึกตนจะแก้ไขบางทีเรายังมองไม่เห็นมีคนอื่นมาช่วยบอกถึงวันปรณนาแม้ไม่วันปรณนาที่จริงท่านปรณนาครั้งเดียวคุมทั้งปีหมายความว่าเป็นสังฆกรรมครั้งใหญ่ที่บอกให้รู้กันนะว่าเปิดโอกาสแก่กันแล้วก็เปิดโอกาสตลอดปีแหละเมื่อไรก็ได้เจอว่าฉันทําอะไรไม่ถูกไม่ต้องได้ยินสงสัยก็บอกกันได้ ก็คือเรามีจิตสำนึกในการฝึกในการศึกษาในการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงตนเราก็เลยรอรับคำบอกกล่าวแนะนำตักเตือนสั่งสอนของคนอื่นก็ดีสินะใครบอกเราก็ถือเป็นโอกาสว่าเราจะได้แก้ไขปรับปรุงตนอย่างนีก็ดีเป็นเรื่องหมู่คณะก็เลยสามัคคีก็เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยคนอื่นก็ช่วยเราหมู่คณะก็ช่วยเราบรรยากาศ ก, าก็เป็นสุขอยู่ด้วยกัน ก็มีแต่ความดีงามตัวเองก็พัฒนาเพราะฉะนั้นสามัคคีนี่ไม่ใช่อยู่อย่างเดิมแพ้ว่าเป็นสุขมีกำลังแต่ว่าสำหรับให้แก้ไขปรับปรุงพัฒนาทั้งส่วนตัวและส่วนรวมด้วยอันนี้ตมาก็ได้พูดมาก็เป็นสาระของเรื่องกถินแล้วก็โยงไปหาวันปรนาวันออกพรรษาที่ว่ามาแล้วเนี่ยเรื่องของพระสังฆ ก, กรรมชีวิตของท่านตลอดจนกระทั่งธรรมะหลักคาสอนแนละมีคติ ให้เราเยอะบางทีเราก็ผ่านผ่านไปร่วมพิธีกรรมนั้นเราก็ไม่ได้จับสาระอะไรเท่าไหร่ถึงเวลาเราก็มาทบทวนกันสักทีโยมก็คงมองเห็นแล้วว่าเนี่ยชีวิตของพระที่แท้นั้นเป็นอย่างไรแล้วถ้าพระปฏิบัติได้ตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้พระสงฆ์ก็อยู่ดีจะไม่มีปัญหาให้เขามาเที่ยวทำอะไรต่าไรว่ากล่าวกันวุ่นวายนั้น แต่ว่าพระอย่างเดียวก็ไม่ได้นะพระสงฆ์ของเรานี่เป็นสังคมเปิดคือไม่ใช่ว่าพระสงฆ์นี่ไปเที่ยวเลือกเอาคนที่ต้องการเข้ามานะคนเขาถือว่าเขามีสิทธิ์เข้ามาในสงฆ์นี้เขาไม่มีข้อบอกพร่องงี้ๆถามเขาแล้วเขาไม่บกพร่องเขามีสิทธิ์เขาขอเข้ามาแล้วพระก็ห้ามไม่ได้ฉะนั้นก็เลยเปิดช่องว่างไว้ถ้าเข้ามาดีก็คือเข้ามาเป็นที่ฝึกตนเอง แต่เป็นสังคมที่สามัคคีเพื่อเอื้อบรรยากาศให้แต่ละคนได้ฝึกฝนพัฒนาศึกษาตนแต่นี้พอว่าคนนั้นมาได้เจตนาไม่ดีกลายเป็นโอกาสแก่เขาเข้ามาแอบแฝงหากินเป็นตน้นทีนี้ญาติโยมถ้าไม่มีน้ำใจสามัคคีกับพระ ก็ได้แต่จ้องหาโทษว่าพระนี่เป็นยังไงพระนี่ไม่ดีก็พระจะไปมีกําลังอะไรหรือาจยาก็ไม่มีตํารวจพระก็ไม่มีอานาจที่ไปจับขังคุกอะไรตํารวจพระก็เรียกไปอย่างงั้นเองอะ่ะนะที่จริงตํารวจแท้ก็ต้องเป็นตํารวจชาวบ้านเสร็จแล้วชาวบ้านไม่ร่วมมือกับพระพระก็แย่ที่ไม่มีอํานาจจะไปทําอะไรเพราะนั้นสมัยโบราณนะท่านมีหลักพุท ธ, ธบริษัทจะต้องร่วมกันถ้าว่าคนไม่ดีเข้าไปในสง์ ทางคฤรื้หัดนั่นแหละจะต้องไปเอาออกมาอันนี้หลักการเนี่ยญาติโยมคนโบราณเขาจําได้ดีสมัยนี้ไม่รู้เรื่องแบ่งเอาพระไปฝ่ายหนึ่งโยมไปฝ่ายหนึ่งโน้น พ, รพระทำไม่ดีมองผิดที่จริงต้องมองว่าคนไม่ดีเข้าไปอยู่ในพระเข้าไปอาศัยพระเข้าไปแอบแฝงเป็นพระเราต้องไปเอาคนของเราออกมาว่างั้นนี่เดิมเขาถืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนเนี่ย พอมีพระไม่ดีท่านมองไปเลยคนของท่านนี่อ้าวพลเมื อ, องเขาฉันทำไมเข้าไปเบียดเบียนศาสนาฉันมีหน้าที่แล้วต้องไปจัดการเอาคนของฉันออกมามิฉนั้นคนของฉันก็ไปเบียดเบียนศาสนาสิเขาไม่ได้มองไปว่าพระทำไม่ดีเขาพองมองว่าคนของเขาเข้าไปทำไม่ดีนี่ประชาชนสมัยนี้ก็ต้องถืออย่างนั้นถือว่าพวกตัวเองเนี่ย ก็ญาติโยมด้วยกันนี่แหละไม่รู้คนไหนมีเจตนาไม่ดีอยู่ๆวันหนึ่งในหมู่เขาตัวเองเนี่ยคิดไม่ดีว่าจะไปแอบแฝงในหมู่พระสงฆ์และเช่นไปหาลาบหาอาชีพอยู่ให้สบายก็เลยเข้าไปบวชอย่างนี้โยมก็มองอยังไงมองเป็นว่าพระไม่ดีเหรอไม่ใช่แล้วต้องมองว่าพวกเรานี่แหละตัวดีเข้าไปแล้วเราจะต้องจัดการเอาออกมาใช่ไหมจึงจะถูก โบราณท่านคิดอย่างนั้นท่าไม่ได้คิดอย่างคนสมัยนี้คนสมัยนี้พอมีพระคนที่อยู่ในพระเหลืองกันแล้วกันทําไม่ดีขึ้นมาก็บอกพระไม่ดีก็เลยไปกันใหญ่เลยยิ่งเสื่อมพระก็ทําอะไรไม่ได้พระดีก็ไม่มีกําลังจะมาจัดการโยมก็ไม่ช่วยอีกกลับมาว่าพระอีกพระก็ยิ่งหมดกําลังกันเลยถ้าเป็นสมัยก่อนก็โยมก็พร้อมใจกันโอ้พวกเรานี่มีคนไม่ดีของพวกเราเข้าไปแอบแฝงเราต้องช่วยกันไป อ, ออกมา ถ้าพวกเราประชาชนไม่ออกมาไม่มีวิธีการก็ให้รัฐให้ผู้ปกครองบ้านเมืองนักการเมืองนั่นสคัญต้องทำหน้าที่นี้เป็นผู้บริหารประเทศชาติต้องไปจัดการเอาคนของตัวเองที่ไม่ดีออกมาอย่างงั้นจึงจะถูกต้องเวลานี้มองกันไม่ถูกมองภาพผิดหมดทำให้จัดการกา ร, ราศาสนาไม่ได้ถึงได้เกิดเรื่องภิกษุสันดานการเรื่องอะไรกันเนี่ยวุ่นวายเพราะว่ามีทัศนคติไม่ถูก มองไม่เป็นเพราะฉะนั้นต้องปรับกันใหม่ถึงเวลาต้องปรับเขาเรียกว่าต้องยกเครื่องสังคมนี้ใหม่ยกเครื่องสมัยก่อนนี่ก็มีภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้ลืมไปแล้วคนไท ย, นยก็แปลกคือกันเป็นพักๆเดี๋ยวสับนี้มากระหายไปรีเอนจิเนียริ่งมาได้ 3-4 ปีหายไปแล้วนไม่ใช่แล้วตอนนี้แหละถึงเวลาต้องรีเอนจิเนียริ่งการสังคมไทยสัทีโดยเฉพาะเรื่องพุทธบริษัทเนะี่ย ทำอะไรแต่อะไรกันไม่ถูกต้องทัศนคติก็ไม่ถูกปีเอนจิเนียริงเสร็จแล้วก็สังขยนาสังขนาก็คือร้อยกองรวบรวมพระธรรมวิ น, นัยสังขยาไม่ได้แปลว่าสะสางคนไทยก็มาใช้ผิดอีกสังขยาคนไทยมาใช้เป็นชําระสระสางของท่านไม่ใช่ชําระสะสางท่านชําระรวบรวมพระธรรมวิ น, นัยนีท่านนั้นก็จัดการกันซให้ถูกตอนนี้อาตมาพูดมาเลยเวลาไปเยอะแล้ว เอาล้วก็ควรจะจบจะทีงวันนี้ก็ได้พูดสาระของกฐินมาก็ไปเอาอยู่ที่ความสามคัคคีแต่สามัคคีนี่เราต้องเข้าใจให้ถูกอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ขอโนโมทนาโยมญาติมิตรสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยความสามคัคคีกับโยมเจ้าภาพคือความสามัคคีในพุทธบริษัทนั่นเองสามัคคีในพุทธบริษัทก็สามัคคีไปในหมู่ประชาชนชาวไทยสังคมไทยแล้วก็ ขยายไปเพราะเรามีความปรารถนาดีความสามัคคีนี้เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันก็ขยายความสามัคคีไปถึงทั้งโลกให้โลกนี้เจริญ ง, งอกงามมีสันติสุขทั่วกันในที่สุดนี้ก็รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะษาที่เดชานุภาพคุณพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งบุญญานิสง์ที่ญาติโยมได้บำเพ็ญกุศลในการทอดกระถินทั้งการทานสังฆทานธรรมทานได้บำเพ็ญไปแล้ว จงเป็นปัจจัยอภิบาลอวยชัยให้โยมเจ้าภาพพร้อมทั้งญาติมิตรสาธุชนทุกท่านทุกคนจงเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยมีความร่มเย็นงอกงามในชีวิตหน้าที่การงานตั้งแต่ชีวิตของตนในครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขและชุมชนสังคมมีความเจริญงอกงามทั่วโลกนี้มีสันติสุขขอให้ทุกคนมีความร่วมใจกันในความสามัคคี ให้บรรลุผลดังที่กล่าวมานี้โดยทักก่วการทุกท่านทุกเมือ่อเทินสาธุ